ทำอะไรผิดผิดทุกทุกปั้มฟั้าเปอเปทำไม่พอเป็นกินไม่พอเป็นอันนั้นเขาเรียกว่าเปรตเปรมันจึงปากเล็กท้องมันใหญ่กินเท่าใดไม่พอเขาบอเปรเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่พูดนี้ตายไปก็ไปตกนรกจริงๆมันต้องตกนรกแล้วเดี๋ยวนี้มันจึงไปตกนรก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 ก็เป็นสวรรแล้วมันในทางตรงกันข้ามไม่พอใจของเหม็นของไม่สวยได้งามเป็นนรกอีกแล้วอันนั้นก็เป็นนร ก, กแล้วเนี่ยนิพพานมันนิพพานก็หมายถึงข่มเย็นเย็นอกเย็นใจใครจะพูดอย่างใดก็สบายใจเพราะดูจิตดูใจเรา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 มนุษย์บัดนี้มนุษย์เรียกว่าเป็นผู้ข้ขามจิตใจได้จิตใจไม่โลเลจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจไม่คุณมัวจิตใจไม่คิดไปทางเลวร้ายท้าเรียกว่ามนุษย์มนุษย์จึงเป็นผู้มีจิตใจสูงบัดนี้มนุษสาเทโวมนุษสาภูโตมนุษสาภูโตคือผู้เป็นใหญ่ในเราผู้เป็นใหญ่ในจิต ไม่ให้จิตซ้ายลงไปข้างต่ำเดียวเป็นคนเป็นมนุษย์สูโตวบันนี้หกห้ามจิตใจได้รู้เห็นจิตใจได้เดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาเขมีผมละอายในการทำการพูดการคิดทำผิดพูดผิดคิดผิดไม่ทำ อันนั้นคนโบราณท่านจึงสอนว่าทาผิดพูดผิดแล้วหวานนี้อันความผิดอันนั้นแหละเป็นครูดีกว่าครูดีกว่าอาจารย์ดีกว่าตำหลักาำลามาสอนเราครูอาจารย์สอนเรานั้นเพียงจาได้บัดนี้เราทําผิดเองพูดผิดเองคิดผิดเองทุกเกิดขึ้นมาให้เราได้รับผลของมันคือทุกเกิดขึ้น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 นิภานเป็นสมบัติของเราสวรรค์เป็นสมบัติของเราเมื่อเราทำใจเราได้อย่างนั้นแต่จิตใจไม่ต้องทำมันหรอกเพียงแต่เรามาลู้เท่าทานเหตุการณ์บัดนี้ในทางตรงกันข้ามนั้นโกก็เป็นสมบัติของเราสัตว์ดเดรัจฉานก็เป็นสมบัติของเราเตก็เป็นสมบัติของเราเพราะเราทำแล้วนี่อันนี้แหละคนบบรานท่านจีวัฒ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 ไม่มีเงินก็ไม่ทุกถ้ารู้ทำเห็นทำเข้าใจแล้วมีคนรู้มากๆกก็ทุกเรียนหนังสือมากมากก็ทุกถ้าไม่รู้ไม่เห็นบันนี้เรียนหนังสือมากๆมีคนรู้มากมากก็ไม่ทุกเรียนทางโลกจนจบปริญยญายเอกนอนไม่หลับเป็นบ้าไปเอายามากินยาลังอปัสสะแน่ทุกไหมอันนั้นแหละทุกที่ว่าไม่รู้จักสมุทย ไม่รู้จักคิดตัวเอง